ว่างจากการพูดร้ายควันร้ายจากปากเหม็นมากกว่าควันไฟโชยลามได้ไกลกว่าควันพิษทำชีวิตเสียหายได้ยิ่งกว่าควันปืนใจต้องกล้าหน้าต้องดานคำเท็จจึงผ่านปากได้เมตตาต้องน้อยหูตาต้องคอยจับผิด ปากจึงโปรยพิษแห่งคำนินทาว่าร้ายได้จิตต้องหยาบปากต้องแรงคำหยาบอันเสียดแทงหูจึงทะลุปา ก, ากออกไปได้ความคิดฟุ้งต้องกระจายต้องกลายเป็นคนเหลวไหลคำพรามเพ้อเจอ้อจึงสะพัดออกจากปากได้ พูดอย่างไรก็กลายเป็นคนอย่างนั้นกําลังแห่งคําพูดดัดจิตให้บิดเบี้ยวได้เร็วควันทึบแห่งคําพูดปกคลุมจิตให้มืดมนได้นานมนสาแห่งคําพูดปราจิตให้เศร้าหมองได้หนักบาปแห่งวาจาที่ก่อไว้อาจโดนใจให้เห็นคําหวานเป็นของตลกมองคําศบกระปรกเป็นเรื่องสนุก แล้วค่อยเห็นผลของความสนุกว่าไม่ตลกมองการพูดร้ายเป็นพิษภัยตั้งใจเลิกพูดร้ายทีละข้อก็จะเป็นมหาทานประการที่สี่ไม่มีขวานไว้ในปากไม่มีปากไว้เป็นขวาน